พระธรรมเทศนาแผ่นที่หกสิบแปดลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ยี่สิบห้ากันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมีชื่อเรื่องว่าอย่าแพ้ใจตนเองวันนี้เป็นวันที่ 25สห้ากันยายนพุทธศักราช2557หเจวันที่แปตุลาคมเป็นวันออกพรรษาเป็นนั้นว่ายังสิบกว่าวันจากนี้ไปก็เป็นวันภวรนาออกพรรษาวันนี้ผมได้เรียกหมู่พวกเพื่อนมาเป็น มาไปชมเป็นกรณีพิเศษอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินว่าในพรรษาถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะไปชมในช่วงในระหว่าง8ค่ำหรือส5บหําคำในระหว่างวันพระแต่พวกท่านทั้งหลายก็คงจะรู้ว่าภารกิจธุรกิจของผมแต่ละวันก็ยังได้เรียนให้พวก เราท่านทั้งหลายได้ทราบออกนอกวัดด้วยทั้งอยู่ในวัดก็มีภาระคู่คนทั้งหลายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่วันนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันมาต้องสองสามกลุ่มแต่ทิ้งยังไงผมเคยคิดว่าจวนจะออกพรรษาควรจะทําความเข้าใจกับหมู่พวกเพื่อนเพราะว่า ธุรการงานของพวกเราเตรียมจะออกพรรษามันไม่ใช่จะออกพรรษาอย่างเดียวก็คงจะเป็นเตรียมงานกะถินด้วยงานกะถิ่นของออกพรรษาวันที่8ออกพรรษาวันที่แปวันที่12ก็เป็นวันกะถินของพวกเราออกพรรษาไม่กี่วันเพราะนั้นเป็นช่วงที่สุขและหกรวเป็นช่วงที่การงาน เขามาเกี่ยวข้องพรบะนั้นการในเมื่อเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนี้แล้วพวกเร า, เาควรจะทํำยังไงควรจะทํำยังไงในเมื่อมีธุระการงานเข้ามาอย่างนี้นี่แหละอันนี้ก็คือจะต้องทําความเข้าใจในการที่พวกเราอยู่ด้วยกันต้องเป็นภาระธุระเพราะว่าวัด จะทิ้งให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่ได้ทั้งนั้นอ น, นั้นเป็ว่าเราไม่รับผิดชอบในเมื่อคนอยู่ด้วยกันขาดความรับผิดชอบมันก็เหมือนกับเราเป็นอะไรอยู่ในวัดของเราถ้าจะว่าขอนไม้ก็ไม่ใช่ก็ไดใช้ได้อยู่ได้กินกับหมู่พกเพื่อนอยู่ ทางว่ า, เ, าเราไม่ได้ใช้ในหมู่กับหมู่กับเพื่อนมันอยู่เฉยเฉยมันก็ไม่มีอะไรแต่ทางว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนอยู่แต่เราไม่ได้ใส่ใจสนใจได้แม่นไม่ได้รับภาระภายในวัดจะเลยก็ทําให้วัดนั้นกลุ่มชุมชนนั้นตระกูลนั้นพ่อแม่นั้นบริษัททางร้านนั้น รู้สึกว่ากระอักกระอวนอะพูดง่ายๆกับคนท่านกับท่านผู้นัน้นกับคนผู้ไม่คิดไม่อ่านเช่นนั้นอันนี้ผมอยากจะบอกกล่าวให้กับพระลูกพระหลานทุกองค์ที่เขามาศึกษาหรือมาอยู่กับผมถึงจะไม่ได้อยู่กับผมอยู่ไปต่อไปภายภาคหน้าไปอยู่ณนะสถานที่ใด ชุมชนกลุ่มใดตระกูลใดบริษัททางร้านใดวัดวาศาสนาใดหรือไปอยู่ตามลำพังก็ให้พวกท่านทั้งหลายต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบอย่าไปอยู่แบบไร้ความคิดไร้ความรับผิดชอบไร้ความเยื่อใยถ้าจะอยู่คนเดียวจริงๆก็ไม่ใช่ แต่พอมีปัญหาเข้ามาก็จะพึ่งพาอาศัยหมูแต่ถ้าว่าอยู่ตามลำพังก็ไม่ให้หมูพึ่งพาอาศัยตัวเองก็ไม่ได้เขาไปเกี่ยวข้องนี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากและมอบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายให้ช่วยการคิดพอโชดนว้เป็นช่วงจะออกพรรษาอย่างที่ผมได้พูดว่าให้พระใหม่ที่ยังไม่เคยปรวรณนา ออกพรรษาก็ให้เรียนคําออกพรรษาคําประวรณาถ้าองค์ไหนที่เป็นพระเก่าแล้วก็ทําให้มั่นใจก็ให้ทบทวนให้ทบทวนให้ใครว่าเตรียมพร้อมไม่ใช่กับวันนั้นนะกัพูดกระตุกกตักกะตักกระตุกไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจถึงจะเป็นพระเก่าก็เถอะหน้าตําหนิถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้น แต่เป็นพระใหม่ก็ไม่ได้สนใจก็ยิ่งไม่เป็นผลดีเป็นประวัติที่ไม่ดีทีเดียวเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านท่องคำออกพรรษาทุกองแล้วก็พร้อมกันงานการงานอะไรก็ให้ปรึกษาปาร ก, กันผู้น้อยผู้ใหญ่ที่เคยทำมาทุกปีมีอะไรบ้างที่จะต้องช่วยกันดูแล ภายในวัดของเราเรื่องที่พักเรื่องของพักพาอาศัยที่นอนหมอนมุ้งเรื่องน้ำเรื่องอะไรก็าตามที่เราจะต้องได้ใช้ต้องปรึกษากันแลถ้าไม่ได้มีถ้าไม่มีหรือ ไ, ไม่ได้เสนอมาบอกผมผมจะผมเป็นผู้รับเป็นผู้ดูแลแต่เสนอมาครั้งหนึ่งผมอาจจะลืมก็ได้ก็ขอย้ำว่าท่นานอาจารย์มีความเห็นว่ายังไง อย่างนี้เป็นต้นนะไม่ใช่ว่าเสนเอามาแล้วก็จบไปไม่ใช่นะท่านอาจารย์ไม่ว่าอะไรทั้งที่ผมลืมผมผาระมากก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายมีความจําเป็นจริงกระยำผมก็จะได้ดูแลจัดการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ถิงที่มันขาดตกบกพร่องแขกคนคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องลูกควรจะดูแลยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมนี่ เป็นห่วงแต่เรื่องน้ําะถ้าคนมามากๆเรื่องไฟเนี่เรื่องที่สองเรื่องอาหารการบริโภคอันนั้นผมคิดว่าคนมามากอาหารขมากับคนนั่นแหละเพราะนั้นเรื่องอาหารผมไม่ห่วงประหลงทานของเราแต่ละปีเนี่ยลนหลามแต่เราจะต้อนรับขับสู้ยังไงท่านเองเราเป็นเจ้าของถิ่นอันนี้นกับพระช่วยๆกันนะ อยู่ในกรอบขอบเขตอย่าไปออกนอกลูก่นอกทางอันนี้ผมเป็นห่วงอีกเหมือนกันนะปล่อยให้หมู่พวกเพื่อนประสานแลติดต่อกับคู่คนเพลเพล่นั่นนะทั้งที่มันจะเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนากลับเป็นสิ่งมาทําร้ายทาลายพระพุทธศาสนาวัดวาศาสนาอกีกสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกท่านทั้งหลายคิด ไปอยู่นักสถานที่ใดใดเราไม่ได้ไปทําร้ายทำลายแห่วัดวาศาสานาครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนสิ่งไหนที่มันทํำร้ายทําลายเราก็ต้องเคิดดูให้ดีอย่าไปคิดอย่าไปทําอย่าไปพูดในเรื่องนั้นๆเพราะว่าเรื่องนั้นๆเจตนาหรือไม่เจตนาแต่ทําลงไปแล้วมันผิดออกไปแล้วเสียหายกูกูคืนกูคืนไม่กลับ เสียหายไปแล้วได้ยินไปถึงไหนอายไปถึงนั่นสิ่งเหล่านี้ให้พวกท่านทั้งหลายเอามายประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมวินัยให้เข้มงวดกวดขันให้ตรวจตราดูตนเองให้ดูครูบาอาจารย์ดูหมู่พวกเพื่อนหมู่พวกเพื่อนกเหมือนกันเห็นอกับกิริยาหมู่พวกเพื่อนที่อยู่ด้วยกันไม่ชอบมาพากลพูดเลยบอกเลย แนะนําเลยอันนี้ไม่ถูกต้องนะทําให้เสียหายครูบาอาจารย์นะทําให้เสียหายวัดวาศาสนานะทําให้เสียหายหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะอันนี้เคยให้อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนดูกันดูแลกันพี่น้องเราไม่ได้จับผิดจับถูกใครทั้งนั้นแหะถ้าใครผิดก็ว่าตามผิดเพราะมันเพชดจะว่าถูกได้ยังไง ถ้ามันถูกอยู่แล้วก็มันถูก เ, เราจะว่าผิดได้ยังไงเนี่แหละอยากจะให้หมูพวกเพื่อนที่อยู่ด้วยกันให้รักมีความรักพร้อมเพียงสมัคคีกันความอิจฉาปยาบาทในใจนะ่ะมันเรื่องกิเลส เ, เราจะมาตัดคอมันอยู่แล้วเรื่องกิเลสโลภโกรดหลงราคาโทระโมหนะ เ, เราจะทำร้ายทำลายแล้วค่ากิเลสมากฆ่าไม่บาปแต่ฆ่าหมูพวกเพื่อน สิ่งไหนที่เกิดประโยชน์นี่แหละอยากจะให้หมูพวกเพื่อนทุกองช่วยกันทิศคิดช่วยกันทำํำช่วยกันดูแลบํารุงพระพุทธศาสนาอย่าไปคิดทําร้ายทำลายเราไม่ได้มาคิดเพื่อทําร้ายทำลายมีใครบ้างที่จะเข้ามาแล้วทำลายพระพุทธศาสนาทําลายครูบาอาจารย์ไม่มีใครคิดแต่ว่าการกระทำํำมันเคิดมันฟ้อง อันนั้นก็เสียหายได้จะคิึยังไงก็นะให้ตรวจตราดูตนเองไม่มีใครที่จะรู้ริงกว่าตัวของเราแนวความคิดของเราการกระทําของเราการพูดของเราเรานั่นรู้ยิ่งกว่าใครอื่นทั้งหมดเพราะนั้นกอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเมื่อเราทําสิ่งที่มันไม่ดี ถึงเราจะออกไปเป็นฆรวาสมันก็เป็นแผลอยู่ในใจของเรานานเท่านานจนถึงวันตายตายไปแล้วยังยมพะบาลยังส่งโลกนรกหมกไหมไปอีกกี่ภพกี่ชาติทิ่พบติดชาติอีกต่างหากในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ศึกษาเราได้อ่านฟังดูสิพระทำความชั่ว อย่างพระโลโ ล, โลุทายีบังพระมาหากปิลาบังทําความชั่วและตกนรกแต่เป็นเปรตก็มีถึงเยอะแยะไปตกนรกก็มีพระทำความชั่วเราจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเรามาทั้งทีชีวิตเราจะเห็นกงจักเป็นดอกปัวอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ให้พวกทันทั้งหลายตัวตาสำนึก ในจิตในใจของพวกท่านผมเองมีแต่แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวว่าอันนั้นชั่วนะไม่ดีนะถ้าทำไปแล้วเสียหายนะไม่ถูกต้องนะผมมีแต่แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวแต่พวกท่านทั้งหลายเนะ่เป็นผู้ลงมือประพฤติปฏิบัติจะเอาอยัางไงถ้าเห็นไม่ไหวท่านก็พิจารณาตัวเอง ไม่มีใครบังคับไม่มีใครเขี่ยเข็นแต่ท่านหวังดีในพระพุทธศาสนาเอาศึกษาเนี่ยนะพระพุทธศาสนาเป็นอยา่าง้รร่มเย็นเป็นสุขถ้าใครมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นร่มเย็นเป็นสุขนะเย็นกายเย็นใจอีกต่างหากเย็นใจสุขใจเพราะเหตุไรพราะว่าเรา น้อมนำทำคำสอนมอบกายถวายชีวิตต่อคุณงามความดีต่อหลักเหตุผลต่อความถูกต้องจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าว่าถูกต้องเป็นธรรมในการดูแลการอยู่ร่วมกันการบริหารจัดการครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรา หลักเหตุผลก็คือหลักถูกต้องนั่นแหะเราอยู่ในหลักจุดหลักเขตุต้องถูกต้องนั่นแหะจะร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราออกนอกลู่นอกทางผิดอ่อผิดลู่ผิดทางผิดขนบธรรมเนียมประเพณีผิดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผิดหลักพระธรรมวินัยอ่อผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดกฎระเบียบการอยู่ด้วยกัน ในวัดวาศาสนาสิ่งนั้นเป็นเรื่องหายยนะเป็นความจีบหายเป็นความทุกข์เข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราสํารวจตรวจตราดูตนเองข้าพเจ้าบวชมาทั้งทีข้าพเจ้าจะทําดีที่สดุดในชีวิตอย่าให้ด่างพร้อยในการบวชของเราในเมื่อเราตั้งใจอย่างนั้นแล้ว หลวงพ่อเองหมัน่นมั่นใจในการเป็นอยู่ของพวกท่านจะร่มเย็นเป็นสุขอยู่ที่นี่กว่าเป็นถูกไปทั้งหน้ากว่าเป็นสุ ข, สขอยู่ตลอดชั่วอาอยุไขของพวกท่านก็จะเป็นสุขกายสุขใจสุขใจใช่สุขกายหรอกใจของท่านจะเป็นสุขพอนึกน้อมนึกเมื่อไรเราก็ไม่ได้คิดไปในทางชั่วทำไปทางชั่วพูดไปในทางชั่วมีแต่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยทั้งนั้น ถ้าเราคิดได้อย่างงั้นน่ะร่มเย็นเป็นสุขแล้วเมื่อเราเป็นไปเป็นไปเป็นฆราวาสเราดูไม่ได้ในศาสนาเพราะว่าเรามีเวลาเข้ามาเพื่อบวชแล้วก็จะได้ไปดําเนินทางฆราวาสพอเราตั้งใจว่าอย่างงั้นเมื่อไปเป็นฆราวาสเราก็ยังได้สํานึกว่าเออสมัยเราก่อนๆเราก็ไม่ได้ ศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาแต่เมื่อเราเข้าไปศึกษาสามเดือนที่วัดหลวงพ่อเน่เราก็ได้ฟังบ้างได้ศึกษาบ้างได้ปฏิบัติบ้างด้การค้องไตรตรองตามที่ได้ศึกษาได้ปฏิได้ยินได้ฟังข้าพเจ้ามีความสุขเพราะในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปล่อยวางเป็นช่วงที่ไม่มีอะไรทำใจว่าง ทำใจปล่อยวางทำใจไม่ให้คิดถึงโลกราคะโทรสะโมหะปล่อยทิ้งนอกวัดทั้งหมดมีแต่เอาธรรมะมีแต่ประพฤติปฏิบัติรักษาศีลภาวนาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตในใจถ้าพวกท่านทท่านทั้งหลายรู้จักทำอย่างนี้ผมมั่นใจว่าใจของพวกท่านทั้งหลาย เข้ามาบวชสามเดือนก็จะมีความสบายใจเพราะเรารู้จักปล่อยรู้จักวางาไม่ไม่มั่วเข้าม า, เ, าเมื่อเราบวชเราจะเอาเรื่องทั้งโลกมาคิดแต่ยังไงเราก็ต้องทิ้งมรรท่ศนเ์เราเป็นพระในเมื่อเราเป็นพระเราก็คิดเรื่องของพระจะทำยังไงที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังทุกเชา้า บางทีก็เดีฟังทุกวันพระอย่างนี้เป็นต้นนะจากนั้นกลางกลางคืนพวกเราก็ได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อแนะนำมาให้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาเด้อเพราะธรรมเทศนาของหลวงตาในวัดของเราเนี่ยตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปหลวงตาจะเทศภาคปฏิบัติเรื่องกิเลสกับทรทำกับกิเลสตัวของเรากับกิเลสกิเล ส, ก, เลสกับตัวของเราเการอยู่ด้วยกันมีกิเลส ราคะโทสะโมหะหลวงตาจะเน้นพูดพูดเรื่องการเคลื่อนไหวของจิตใจพวกเราก็จะได้ฟังไปทีละน้อยทีละน้อยแต่ละวันนั่นแหละเป็นเครื่องเครือคูนุนจิตใจของพวกเราเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็รู้จักทางเลือกเพราะอะไรเพราะว่าเราอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาอาศัยการ เรียนรู้ทางทางตาทางต่างตาทางหูใจของเราซ้ำเนียดใจของเราคิดอันไหนผิดอันไหนถูกการกรองไตรตรองโดยเหตุและผลอันไหนควรจะวางอันไหนควรจะยึดไม่ใช่จะยึดทุกอย่างอันไหนควรจะวางวางวางไว้ก่อนอันนี้ที่มันไม่ดีหรือว่าไม่ใช่สถานะที่เราจะมายึดในช่วงนี้ วางไว้ก่อนนี่แหละอันนี้พวกเราถ้ารู้จักการปรับปรุงตัวปรับปรุงกายใจของเราอยู่ให้ถูกต้องแล้วตลวงพ่อเองเขามั่นใจว่าพระของเราจะอยู่ด้วยความผาสุกเย็นใจนี่แหละอันนี้ก็คือการปรับปฏิบัติตน ปฏิตัตนทำตัวให้รู้จักสถานะในการเป็นอยู่แต่ละวันแต่เราจะให้ดียิ่งไปกว่านั้นเราก็พยายามภาวนาทีนี่แต่ภาวนาเราก็ภาวนาแล้ ว, ว ล, ะละ่ะอยู่แ ล, ะละ้วล่ะแต่ยังไม่เข้มงวดกวดขันเราจะจะให้ภาวนาให้เข้มงวดกวดขันเข้าไปเอง จะเป็นพระเกา่าพระเออเอาเถอะเราก็เคยผ่านคารวะญาติโยมมาแล้วบัดนี้เราก็ามาบวชในพระพุทธศาสน า, เ, าเราตัดละทางโลกไม่เอาละายกตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้านี้ออกจากเวียงวังท่านว่าท่านจะไม่กลับคืนอีกแล้วตายดาบหน้ า, เ, าเราจะต้องสู้อย่างสุดความสามารถของเรา ถึงจะเลือดเนื้อเชื้อไข่จะแห้งตายไปยังไงก็ตามข้าพเจ้าจะเดินหน้าเท่านั้นอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเหตี่ท่านได้ตรัสเอาไว้อันนี้พวกเราอก็ควรจะเดินอย่างนั้นถ้าอยากจะอยากจะริมรถอยากจะริมรถในพระธรรมอคําสอนจะปฏิบัติ จริงจังเอ่อเอาเถอข้าพเจ้าบวชมาข้าพเจ้าผ่านมาแล้วทางโลกก็คงจะไม่เป็นสวรรค์วิมานล่ะก็คงจะเป็นโลกอย่างเ ก, ก่ากลับออกไปก็เป็นโลกอย่างเกา่าเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอะไรที่เจรังถาวรยั่งยืนความสุขเอที่แท้จริงมีแต่อยู่กับกินเท่านั้นเองอยู่กินนอนเท่านั้นเองอันไหนคือความสุขอยู่กินนอนนั้นมีความสุขไหมเออเวลาเจ็บไข้ได้ปว่วยละ เป็นยังไงอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าน่ถึงระดับไหนก็เถอะป่วยเข้ามาแล้วเป็นยังไงเราจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีใครรับประกันได้ว่าเราจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นนักพจ น, น์นักนบวชเป็นนักพจน์บวชไม่เป็นไรเรารักษาศีลอยู่ในวัดตายถึงข้าวตายก็ตายตายในสนามรบตายกับศีนกับธรรมเลิดประเสริฐกว่าที่จะ ไปตายแบบอยู่ในโลกกิเลสราคะโทสะโมหะงอกครอ บ, อบงามอย่างนั้นถ้าเราตายอย่างพลาเนี่เอาเถอะข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อความถูกต้องเป็นธรรมข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตทั้งชีวิตเดินหน้าจะไม่ถอยหลัง จะมอบกายถาวายชีวิตต่อคุณงามความดีเท่านั้นชีวิตทั้งชีวิตของข้าพเจ้าเป็นนักบวชเท่านั้นจะไม่เป็นอย่างอื่นแต่ข้าพเจ้าจะทําดีคิดดีทําดีพูดดีจะทําดีอยู่ในหลักพระธรรมวิไไนัยเท่านั้นเนี่ยถ้าเราตัดสินใจอย่างนั้นหลวงพ่อว่าส่วนเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือพระที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติ หาทางพ้นทุกเศษแสวงหาทางพ้นทุกขถ้าเรามั่นใจทําอย่างนั้นจริงจังและจริงใจคล้ายๆวันน้ํามันไหลลงช่องเดียวมั่นแรงคล้ายๆกับใจของเราเหมือนกันเป็นสมาธิจิตมุ่งมั่นอยู่จุดเดียวมีแต่จะหวังหาทางพ้นทุกเท่านั้นไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่น เมื่อเรามีจัดมีใจิตใจมุ่งหวังอย่างเดียวหลวงพ่อว่านั่งภาวนาจะทําให้ใจิตใจสงบได้ง่ายในเมื่อพิจารณาก็ไปเป็นปัญญาเกิดขึ้นเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงอในความรู้ในความรู้สึกนั้นในเมื่อเราเห็นรู้จริงเห็นจริงตามความรู้สึกจิตใจของเราก็เกิดความเบื่อหน่ายาคล า, ายจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส มันไปตามแนวแถวนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราอะไรก็ไม่สัดจริงไม่สัดจริงสักอย่างคุมเครืออยู่ในจิตในใจของพวกเราจะทํำมางั้นกัเสียดายอันนี้จะทําอั้นกับเสียดายอันนี้ยคร ก, ก, กะใครจะกระอวนกระลากะเลียอยู่ในจิตในใจของพวกเราพวกเราคิดว่าจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางไหมพวกเราคิดถูกให้ดีใช่แตถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเราจะทํำยังไง เราจะทำอย่างนี้มันก็กระลากระเลีย อ, อยู่ในไปที่ไหนไม่ถึงไหนเพราะนั้นให้พวกเราต้องสัตสัตจริงและจริงใจมีสัจจะในใจเอาเถอะชีวิตมันจะไม่มีอะไรถ้าเราออกไปก็เท่านั้นดูซิเป็นไงถ้าเราดูู่ก็เป็นอย่างนี้มีอะไรเออดีไหมที่เราอยู่เราไม่ได้เบียดเบียนใคร เราอยู่แบบนักพจนักบวชมีก็กินมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ไม่ต้องอยู่ต้องกินไม่ต้องทักหนักใจกับใครทั้งหมดอถึงค้าวมาถึงอดอยากวันนั่งสมาธิตายก็ยังได้เราไม่ได้มุ่งหวังพึ่งใครทั้งหมดในจักรวาล น, นอกจากตัวของเราเรั้ของเราก็ไม่คิดว่าจะอยู่หมื่นเป็นร้อยเป็นพันปีถ้าร้อยปีนี่ก็ยังหมดสภาพแล้วเห็นไหมครูบาอาจารย์ร้อยปี ลูกศิษย์ลูกหาพอดีอกดีใจครูบาอาจารย์มีร้อยปีแต่ตัวของท่านเองเนะ่ะดูสิขนาดไหนพาลาหาเวปันจักขันธะธาตุต า, าหูจมูกริ้งกายของท่านนะมันหนักขนาดไหนอจะเดินไปไหนก็ต้องมีคนช่วยต้องคนมีพยงุงต้องหามต้องเข็นต้องแบกต้องป้อนข้าวเวลาเข้าห้องน้ําขับถ่าย เป็นช่วงที่ไม่อยากจะให้เป็นส่วนตัวที่สุดท้องน้ำแต่จะทำยังไงได้ตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้ลูกน้องก็ต้องเข้าไปเช็ดไปทำความสะอาดให้นี่แหละมันเป็นภาระทั้งหมดเลยพาราฮเวปัญจากขันธาดขันทั้งห้าเป็นภาระอันหนักสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงให้พวกท่านทั้งหลายใช้ความคิดใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบขอบ ที่มีอยู่ในใจของพวกเราทบทวนกันกรองไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลจริงไหมหลวงพ่อบอกเลยว่าเนี่ยหลวงพ่อมีประสบ ป, ประการณ์มาแล้วนั่นนี่คือแนวความคิดของหลวงพ่อหลวงพ่อจะมาถ่ายทอดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายให้ได้ให้ได้ยินได้ฟังแต่บางครั้งพวกท่านยังติดากาว หรือตังมันยังติดอยู่กับกิเลสกิเลสยังติดอยู่ที่จิตที่ใจของพวกท่านแต่เมื่อได้รู้ได้ยินอย่างที่หลวงพ่อพูดนะ่ะพวกท่านทั้งหลายก็คงจะคิดติดตามดูว่าอืใช่อหลวงพ่อเนี่พูดถูกอหลวงพ่อหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อพูดถูกนะหลวงพ่อจึงพูดให้พวกเราฟังถ้าหลวงพ่อพูดไม่พูดไม่ถูกพูดผิดจะพูดทําไมหวังอะไรไม่ได้หวังอะไรเี่ว่าพูดทุก จึงแนะนำบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอย่าไปมุ่งหวังทางโลกผู้ที่จิตใจที่มุ่งมั่นหรือว่าหมดภาระทางโลกแล้วให้จริงจังและจริงใจให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยพิจารณาอะไรหลวงพ่อก็จาแล้วจาอีกตัวของเรานะ่มันหลงหลงร่างกายนะ ไม่ใช่หลงอื่นหรอกเออหลงภายนอกมันอีกมันเป็นกระแสของมันอันดับแรกหนึ่งคือใจหลงใจก่อน อ, อใจมันหลงใจใจไม่ได้คิดใจไม่ได้อ่านใจไม่ได้ใช้ใช้สติปัญญาถ้าใจพอ ร, รู้ตัวเองเลยวนีข้าเป็นใครจะกนั้นก็พิจารณากายอะไรัวนี้ อ, อร่างกายของเราเนี่ยเกษาผมโลมาขนราคาเล็บทันตาฟันตะโจหนัง อ, อ แล้วก็แยกส่วนแบ่งส่วนจังที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังอะหลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกอา้อาวชําแหละร่างกายดูสิร่างกายของเรามีอะไรบ้างอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยไม่ต้องดูคนอื่นหรอกมันติดอะไรเห็นผ ม, ผมสวยใช่ไม้มเอาถ อ, อนผมมากองไว้อขนในร่างกายทุก เส้นเอามากองไว้เล็บทุกเล็บเล็บมือเล็บเท้ากองไว้ถ อ, อ, อดฟันถ อ, อ, อนฟันมากองไว้ทะลกหนังทะลกหนังชำแหละหนังลอกหนังเอามากองไว้เอาเนื้อเอามากองไว้กระดกูก เ, เอามาเรียงกันจดเอาไว้เป็นต่อกันเป็นรูปร่างของมนุษย์ เราเนี่เป็นมีหัวกะโหลกมีคอมีแขนมีกระดูกสันหลังกระดูกชี้โครงอย่างที่พวกเราเห็นเห็นโครงกระดูกในสถานที่ต่างๆแล้วก็น้อมเข้ามาหาตัวของเรานี่ยกระดูกเรามีเป็นโครงกระดูกอย่างนั้นใช่ไหมหมันกระดูก โครงกระดูกมนุษย์เนี่ยจะไปไหนมันกมน็มนุษย์เนียเหมืกันเพียงแต่ว่าเราจะมองแล้วจะมองเราจะเห็นแล้วไม่เห็นเนั้นเองเราจะดูแล้วไม่ดูเท่านั้งเองเอพราะมันหลงอ่ะมันจะไม่เห็นอ่ะมันกบเกลื่อนไปหมดแต่ตามจริงดูเอากระดูกมาเรียงให้ดูอาจากนั้นเนี่ยปอด อ, ออกมาตับเอาออกมาลำไส้ อ, ออกมากะเพราอาหาร อ, าออกมาไตา อ, าออกมา เออเอามากองกองกองไว้คนละจุดละจุดกันจากนั้นเขาน่ะกระดูกแข้งขาลงไปอันนี้ร่างกายเป็นของเราใส่ใช่ไม้ใจถามตัวผู้รู้เนี่ยไอ้ที่รู้เนี่ยมันหลงอมันหลงเขาอ่ะผมเป็นเราขนเป็นเราเล็บเป็นเราฟันเป็นเราหนังเป็นเราจะไหม่ใจอใจมันกลัว ใช่ถ้ามันติดต่อกันอยู่ก็เป็นของเรานี่ยแหละแต่มันออกอย่างงั้นแล้วเนะี่ยจะเป็นของเราได้ยังไงมันไม่ใช่ของเรานะ่ะถ้าเมื่อเราชำแหละออกไปแล้วนะ่ะอกายก็ผมก็คือผมขนคือขนเล็บคือเล็บฟันคือฟันหนังคือหนังร่างกายของเราถ้าถ้าต่อต่อไปถ้ามันตายเน่ะจะเป็นอย่างงาั้นได้ไหมใจโอ้ได้เพราะว่าอคน ที่คนตายนะครอบแพทย์ทั้งหลายเขาก็เป็นถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่พอเป็นอาจารย์ใหญ่เขาก็ชำแหละดูเส้นประสาทดูอะไรต่อไม่อะไรจากนั้นก็เป็นโครงกระดูกออกมาอเป็นได้ทั้งนั้นอแต่ตัวเองชำแหละตัวเองไม่ได้หรอกเพราะมันตายแล้วแต่คนอื่นชำแหละได้ชำแหละร่างกายของเราเป็นอาจารย์ใหญ่ที่เราเห็นเห็นเห็นชัดๆ แต่ในร่างกายของเรามันเป็นอย่างนั้นเราจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราได้ไหมล่ะใจใจก็ต้องบอกอในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ใช้มันไปในเมื่ออีกสักวันหนึ่งมันทุบพ ล, ลภาพแล้วเราจะบังคับใช้ยังไงก็ใช้ไม่ได้เมื่ออายุแปดเก้าสิบปีเข้ามาแล้ว เหมือนกับรถที่มันอายุมากแล้วนะเครื่องยนต์ก็พอติดได้เองแต่ล้อมันจะหลุดออกไปยังไงก็ไมร่รู้เพราะว่ารถเก่าแก่รถใช้มานานร่างกายของเราก็เหมือนกับรถถ้าใช้มานานๆของเราเราใช้มานมันไม่รู้จะอะไรมันจะหลุดอะไรมันจะหล่นขอไม่เที่ยงอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมด นี่และอีกสักวันหนึ่งนะใจนะอีกสักวันหนึ่งนะกายเนี่ยจะต้องหยุดนะหยุดหายใจนะโผล่ในสุดนะ่ยใจเราจะทํำยังไงก็ออกจากร่างได้สิความรู้สึกนึกคิดตัวนั้นออกจากร่างหลวงพ่อย้าแล้วย้ําอีกการภาวนาเนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้ได้เราไม่ใช่พิจารณาเพียงครั้งเดียวสองครั้งนะ หลวงตาท่านบอกเหมือนกับคลาดนานคลาดแล้วคลาดอีกคลาดแล้วคลาดอีกจนขี้ไถมูลไถ่แตกกระจุยจกระจายละเอียดเ อ, อเราพิจารณาแล้วพิจารณาอีกย้ำแล้วย้ำอีกการกรองแล้วการก้องอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกให้เห็นชัดเจนเมื่อเราเห็นชัดใจของเราก็เข้าสู่ความสงบไม่ยึดมั่นถือมั่นละ ในเมื่อไม่ถือยึดมั่นถือมั่นในร่างกายในร่างกายของตนเองเพราะมันเห็นอะไรนั้นจะไปยึดไปยังไงมันใจของเราก็เกิดความนิพพิธานิพพิธาคือความเบื่อหน่ายเบื่อว่าร่างกายมันไม่ใช่ของขานะพิจารณาถี่ท่วนแล้วมันเป็นสภาพของมันเองใจของเราไปยึดไปถือไปให้ความสําคัญ กายก็เลยสําคัญถ้าใจของเราไม่แห่ความสําคัญใจกับใจหรือใจใจหรือคือใจกายหรือคือกายเอาเธออาศัยกันอยู่แต่เมื่อเราพออาศัยได้ใจก็ต้องอาศัยอาศัยกายอยู่กินดูแลประคบประงมแต่อย่าไปหลงในใจนะะเอบกระซิบใจตัวเองใจเอ๋อย่าหลงนะอย่าหลงกายนะอีกสักวันหนึ่งตายแน่ๆนะกายนี่นะเอบ เดี๋ยวเอาไปเผาไฟทิ้งแน่ๆนะใจนะอย่าไปหลงนะใจนะถ้าท่านหลงบ้างใดท่านจะทุกอย่างมากเลยท่านท่านหลงกายถ้าท่านหลงกายท่านจะทุกอย่างมากนะใจนะอันนี้ก็คือเรากับกระชิบบอกใจไว้อยู่เสมอในเมื่อใจของเราอยู่กับกายอยู่กับกายก็จริงอยู่แต่ไม่หลงกายพาอาบน้ำพากินข้าวพาขับพาท่ายพาพูดจาพาทีแต่ถึงอย่างไรก็ตามใจมันรู้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรานะ อ, อถึงเราจะพาไปอย่างอีกสักวันหนึ่งนะไม่รู้ว่าวันไหนล่ะ อ, อไม่มีใครประกันได้ว่าชีวิตของข้านะเเยอ อ, อยู่ในาน้ําบนบกอยู่ที่ไหนไหนตายได้ทั้งนั้นเพราะนั้นอย่าหลงนะใจนะนี่แหละในเมื่อเราเห็นกายเห็นใจเห็นใจเห็นกา ย, กา ย, กายอยู่ตลอดเวลาเห็นรู้เท่ารู้ทันอยู่ตลอดเวลา อ, อจากนั้นกิเลสตัวไหน <c oughs> จะเข้ามาทางกายากามาราคะ่างนีอยเราก็เห็นเขาก็รู้หน้ามันมันมามืนกันใจเขาไปปุกไปกระตุ้นร่างกายเกิดกิเลสโทสะขึ้นมาเขาไปกระตุ้นร่างกายร่างกายกบบตาเขียวดุด่าว่ากาวคนได้เพราะอะไรเพราะกิเลสอยู่ในใจของเราปรุงขึ้นมาแล้วกัน่นะ ออกแสดงออกทางกายทางวาจาไม่ที่แร ก, กออกมาจากใจนั่นแะใจนั่นะเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นต้นเหตุในเมื่อออกมาจากนั้นความไม่พอใจเกิดขึ้นกันไปให้กายออกมายกมา้ายกมื อ, อแล้วกับวาจาก็พูดออกมาสรุปแล้วคื อ, คอใจของเรานะเไปสั่ง กายกับวายาให้พูดหรธรรมในเรื่องนั้นๆ น, น, นี่แหละสรุปแล้วก็คือออกไปจากใจทั้งหมดเพราะนั้นขอหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเข้ามานี่ก็อยู่ในใจของเราทั้งหมดอย่าหลงให้รู้แจ้งเห็นจริงให้พิจารณาในอัดในธรรม ถึงเราไปอยู่ในสถานที่ใดถึงจะเราจะเป็นคราวาาก็เถ อ, เอะอสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดทบทวนกันกลองไตรตรองไว้อยู่เสมอถ้าคนไม่มีธรรมในใจนะทํามันโกรธก็โกรธสุดตรงไปเลยเอฆ่าใครก็ได้ฆ่าแล้วมันได้อะไรอมันก็ได้เท่านั้นได้ฆ่าเขาเป็นบาปเป็นกรรมต่างหากเกิดภพนาชาตินาเขาฆ่าตัวเองกลับตัวนั้นไม่ไปไหนในหลักธรรมคาสอน เรียว่ากรรมชั่วสิ่งที่มันชั่วจะสิ่งที่พูดชั่วจะทําซะเลยดีกว่าหลวงพ่อย้ําแล้วย้ําอีกเพราะว่ามันไม่ไปไหนมันมาหาเราในเมื่อเราทํากรรมเหล่านั้นกรรมเหล่านั้นก็ต้องมาหาเราเพราะฉะนั้นเราจะทําทําให้กรรมที่มันชั่วเราต้องทํากรรมดีสิ่งที่มันดีคิดดีทดําดีพูดดีนั่นแหละทําลงไปเถอะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นพระก็เป็นพระ ที่น่าเคารพกราบไหว้สักการบูชาเพราะทําดีถ้าเป็นคราวาดก็เป็นคราวญที่ดีไปอยู่ณสถานที่ใดชุมชนกลุ่มใดอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงรักทั้งหมดก็ราะอะไรเพราะเราเป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีอยู่ตลอดเพะขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ตั้งอกตั้งใจ เกิดมาทั้งที่ชีวิตสิ่งที่อย่างสิงไหนที่มันชั่วอย่าลิคิดลิธรรมลิพูดเพราะเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจา้าเป็นพุทธสาวกเป็นพุทธมพุทธบริษัทเป็นสากะยะบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจา้าสิ่งนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดใีให้พวกท่านทั้งหลายถือว่าเป็นอริเป็นศัตรู ในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าสิ่งไหนที่มันดีนะนะเป็นมิตรเป็นสหายเป็นที่พึ่งของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าพวกเราท่านทั้งหลายคิดได้อย่างนี้หลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความผาสุกเย็นใจพนักานการกล่าวบอกกล่าวแนะนําพระลูกพระหลานทั้งหลายก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุดติ ไว้เปี่ยงเท่านี้เอาตอนนี้ไปนั่งนั่งภาวนาชั่วระยะหนึ่งยังคอยเลิกลากันนะพอจบแล้วหลวงจะถามดูในเรื่องการบริหารหรือว่าการดูแลวัดหรือว่าขณะนี้พวกเราท่านทั้งหลายทําอะไรจะทําอะไรต่อไปเพราะว่ามันจวนจะออกพรรษางานกระถินอยู่แล้วจะต้องได้พูดกันดีเอานั่งทวงให้นั่งภาวนาก่อนนะ